สระน้ำ ก็จะได้ฟังธรรมกันก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทางบ้านเมืองก็ได้ยกเป็นวันสำคัญก็คือวันแม่แห่งชาติสิบสองสิงหาราช น, นีมาบรรจบ หนึ่งปีครบประโยชน์นะก็มีผู้แต่งถวายพระพรเยอะกันทุกปีทุกปีวันนี้เราก็มากล่าวกันระหว่างคำว่าแม่กับลูกแม่กับลูกลูกกับแม่ เป็นอย่างไรเป็นเช่นไรจรึงเรียกว่าลูกแม่แล้วก็แม่ของลูกนั่นก็คือมีความพันผูกกันตั้งแต่เริ่มต้นถ ร, รมเริ่มจากไหนพวกเราทุกคน ก่อนจะมาดูโลกใบนี้ที่เรานั่งยืนเดินนอนอยู่ที่มาหายใจอยู่ตรงนี้พวกเราเนี่ยอยู่ในโลกส่วนตัวของแม่ก่อนโลกกลมๆถึงเก้าเดือนนึกออกนะโลกกลมๆที่อยู่หน้าท้องของผู้หญิงเนี่ยโลกใบนี้ มีที่อาศัยให้กับลูกของแม่เราอยู่ในโลกภายในก่อนถึงเก้าเดือนให้นักปฏิบัติต้องพิจารณาและกําหนดตามด้วยว่าก่อนที่เราจะมาอยู่โลกที่หายใจอยู่ภายนอก เราอยู่ในโลกภายในของแม่ที่เรียกว่าแม่ตั้งคันโลกภายในมีระหว่างลูกกับแม่เท่านั้นแม่พูดให้ลูกฟังตั้งแต่ลูกยังไม่ได้ออกมาดูลโลกภายนอก หลายคนอาจจะไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับแม่ทุกคนได้พูดกับลูกตั้งแด่อยู่ในในโลกภายในที่อยู่ในคันของแม่หลายสิ่งหลายอยา่างทั้งรับทั้งห่วงทั้งกลัวจะมีอันตราย กลัวจะแท้งก่อนจะเกิดหรือเปล่าทุกอย่างต้องระมัดระวังทุกแบบนี่พูดถึงแม่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องสนุกแล้วก็มาทุกตรงนั้นไม่เรียกว่าแม่เพราะนั่นเขาไม่ได้พร้อมที่จะเป็นอันนี้เราพูดถึงวันแม่อยู่โลก ภายในมาก้าเดือนอาตมาจะทวงบุญคุณลูกคนนี้เป็นลูกรู้คุณกัดดันอยู่หรือเปล่าอาตมาบอกให้ว่าบินยูชนกับคนถอยแยกกันบินยูชนรู้กัดดันอยู่น้ำใจ เมตตาพักดีซื่อสัตย์นี่คือหลักของวินยูชนและก็แยกระหว่างสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำนี่วินยูชนนี่แยกชัดเจนเพราะไม่ใช่ทำเพื่อ เห็นแก่ตัวแต่ทาเพื่อสิ่งที่ยืนอยู่ด้วยคำว่าคุณธรรมหลักบินยูชนจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ผิดด้วยคุณธรรมแล้วก็มโนธรรมมโนธรรมก็คือใจรู้แล้วว่าสิ่งนี้มันผิดเขาก็จะ ไม่ฝืนที่จะทำยอมอดทนเพื่อไม่ทำอยอมบางเรื่องนะต้องอดทนที่จะไม่ทำนะยมอย่าคิดว่าทุกอย่างทำต้องใช้ความอดทนบางเรื่องที่ไม่ทำก็ต้องอดทนนะเรื่องที่ไม่ควรทำแต่มีสิ่งบีบคั้นเลือกเกินบินยูชนต้องอดทนในสิ่งที่ไม่ควรทำ กลับมาเก้าเดือนคำถามแรกว่าลูกคนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในคันของแม่นอนอยู่ในคันลบแดดลบฝนอาศัยอยู่ในคันแล้วเก้าเดือนถามต่อว่ากินอยู่ยังไง กินอยู่ในคันมานดาสูปดูดทางสายเสือท่อน้ำเลี้ยงส่งอาหารให้มีชีวิตอยู่ในคันมานดาเก้าเดือนนี้บ้านไม่เช่า ข้าวไม่ซื้อบางแดดบางฝนทรมานแม่น่าดูพอทนบางทีก็มีการดิ้นนั่นคือความทุกข์ของแม่แต่แม่ก็ไม่บน่นพอครบกำหนดที่จะให้ลูกออกมาสู่ โลกภายนอกหมายถึงว่าพอแข็งแรงได้ในระดับที่จะออกมาลืมตาอยู่กับโลกใบนี้ที่ผิวหนังต้องถูกอากาศสายตาที่จะต้องถูกไออุ่นแสงแดดพอที่จะทนต่อแรงเสียดทานของธรรมชาติชีวิตที่มีอยู่โดยธาตุสี่วัน เกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้เท่าไรมิไดบ้บ่นกว่าจะคลอดกว่าจะรอดออกเป็นคนเติบโตมาบัดนี้นี่เพราะใครขีดเส้นหยุดตรงนี้ก่อนนี่เพราะใคร ออตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีโอกาสดีดีทำดีให้ได้ลูกหญิงลูกชายทำได้ทุกคนมานะอดทนฝึกฝนตนเองรู้บุญรู้คุณพระคุณพ่อแม่บาปบุญคุณแท้จำต้องเรียนรู้วิชาความรู้เพียรเพิ่มศึกษาโอกาสดีมารีบ ข, ขวายคว้าเอ่ย เ, เราได้โอกาสแล้ว ชีวิตเกิดรอดคลอดรอดเป็นคนแต่แม่นิเจนตายไปแล้วผ่านความตายแล้วครั้งหนึ่งทึงบอกสรตรีเกือบตายนีหลายครั้งตอนหลายครั้งโดยเฉพาะตอนที่คลอดลูกหรือตอนที่ตั้งครร เรื่องนี้มีเรื่องเล่าเยอะแยะหญิงตายอยู่ลูกตายอยู่ในคันบ้างหญิงตายบ้างสารพัด ท, ที่จะจะมีเพิ่งบอกเออความผูกพันกันในเก้าเดือนอยู่ในท้องเนี่ยแม่มีกับลูกแล้วตอนนั้นแต่ลูกเรียกว่าเด็กไรเรียงสายังไม่รู้อะไรเลย ได้ชีวิตแล้วก็ลืมนี่เลอได้ชีวิตแล้วก็ลืมพอคลอดรอดเป็นคนรู้ไหมว่าเราเป็นภาระเราเป็นภาระให้กับแม่ให้กับพ่อของเรา ท่านต้องเริ่มฝึกเป็นพยาบาลคอยดูว่าลูกจะปวดท้องตัวเย็นตัวร้อนร้องไห้เนี่ยแปลว่ายังไงเด็กมีกำลังคือเสียงร้องไม่มีคำอื่นเลยถึงบอกกำลังของเด็กคือเสียงร้องไห้หิวร้องเจ็บร้อง ร้องอย่างเดียวใช้ปากหากินอย่างเดียวร้องดึกเดินค่ำคืนร้องไม่ได้สนใครเออแม่พ่อแม่เริ่มเป็นพยาบาลเริ่มเป็นบริการคอยปกป้องคุุมคองนะปก ป้องคุ้มครองไม่ให้เหลือบลินไล ย, ยลนนุ่งใ่ต้อมอะลรข้อนึงนี่เริ่มต้นไม่ให้ร้อนนักหนาวนักคอยเป็นพยาบาลคอยเป็นยามรักษาบริการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องโภชนาการอีกว่าอาหารชนิดไหนที่เหมาะสำหรับ ลูกน้อยที่ยังเยาว์วัยหรือทารกน้อยที่เพิ่งลืมตามาดูโลกตาใสๆคงมองโลกนี้สีวิไลมึงตาใสกันเกิดใหม่ๆโลกนี้สีวิไลนสังเกต ด, ดูเด็กตาใสสีวิไลแต่บางทีก็ตกใจร้องใหญ่เลย นั่นบอกถึงความเป็นยามความเป็นพยาบาลความเป็นบริการแล้วก็เริ่มเป็นสวนเบญญาเป็นพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรเมตตาที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นเรื่องนี้พิสูจน์ได้นะย้อนไปสู่พระเจ้าจอาชาติเชตูคิดฆ่าพ่อพยายามฆ่าพ่อ วันที่พ่อสวัรคิ์คือวันที่ตนได้ลูกเป็นวันที่ดีใจที่สุดในลูกและเป็นความสวกเศร้าสูญเสียที่สุดเมื่อรู้ว่าพ่อตายก่อนนั้นอยากให้ตายแต่วันที่ได้ลูกวันนั้น ช้าไปแค่วินาทีนะไม่ใช่ช้าไปเป็นวันนะข่าวดีกับข่าวร้ายมาพร้อมกันมีผู้มาทูลบอกพระองค์จะฟังข่าวดีก่อนหรือข่าวร้ายก่อนพระเจ้าค่ะบอกเออถ้าฟังข่าวดีก่อนเราก็จะได้สบายใจถ้าฟังข่าวร้ายก่อนเราก็จะ ไม่สบายใจงั้นฟังข่าวดีก่อนพระโอรสพระมหเหรีประสูติพระโอ ร, ร, ร ส, รสรอรแล้วพระเจ้าค่ะแม่เกิดความโสมนัสจิตที่ไม่เคยมีคำว่าความเป็นพ่อเกิดขึ้นมา ความรักพังพลูเกิดขึ้นเหมือนอัศจรรย์บอกไม่ถูกใจพันผูกไม่หมดเอาละเราสบายใจแล้วไหนบอกข่าวร้ายซิบัดนี้บีดาของพระองค์สวรรคตแล้วหรือสิ้นพระชนแล้วรู้สึกว่าเราทำบาปมหัน บอกรู้เมื่อสายเสียดายถ้ารู้ก่อนนั้นสักวันครึ่งวันอย่างน้อยก็ต้องไปพบพ่อขอโทษขอขามาก่อนกรรมนั้นก็จะได้รู้สึกว่าตนได้สำนึกก่อนแต่ทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุย้อนกลับมาถึงตัวเองว่า พ่อก็ต้องรักเราเช่นนี้ทำไมเราไม่รู้ก่อนนี้ความรู้สึกนี้ไม่เคยเกิดเลยถึงบอกหญิงคนหนึ่งพอมีลูกขึ้นมามันเหมือนกล้าสละทุกอย่างเพื่อลูกได้แปลกเนาะเดิมทีแต่งงานเพื่อความหนุ่มสาวเท่านั้นเองผ่านไปปีสองปี สิ่งนั้นไม่สำคัญเท่ากับการได้มีลูกการได้ดูแลลูกการได้เลี้ยงลูกมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเหรอสตรีผู้หนึ่งยอมสละทุกอย่างปกป้องทุกอย่างเพื่อคำเดียวว่าลูกมันสำคัญขนาดนั้นเลยโอ้โหภาระอันใหญ่หลวง หน้าที่อันใหญ่หลวงตกมาเป็นของหญิงคนนี้สวมบิน ญ, ญาณผู้เป็นแม่ทำไมใช้ว่าสวมบิญญาณผู้เป็นแม่เพราะมีคำว่าใจที่ผูกพันและสื่อถึงกันอยู่ใาหลอดจากนี้ไปใจของแม่มีแต่ลูก แต่ใจของลูกยังไม่มีแม่ตอนนั้นถึงบอกโอ้โหจุดนี้ฟังและคิดให้เป็นชักนิดเราจะรู้สึกแม่มีเราก่อนที่เราจะรู้จักเรียกคำว่าแม่ใช่ีกเอแม่โยบอกโอ้โหตามาบอกพาละใหญ่หลวง ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วชีวิตตั้งแต่ได้ลูกเปลี่ยนหมดแล้วจะไปดิน้นจะไปเต้นจะไปชักอยู่บนฟลอร์เนี่ยนะก็ไม่มันเรารู้สึกว่าเราเป็นแม่คนไปแล้วความรู้สึกมันบอกนะยมเดินเป็นไหนยมบอกฉันไม่ใจนอนสอฉันเป็นชันโหนและเด่น ฉันมีครอบครัวแล้วฉันมีบ่วงฉันมีวัวงและฉันมีลูกอยู่ในใจตลอดบอเออโยมสังเกตไหมเอาวัวผูกเชือกตอกหลักแล้วก็มัดไว้นั่นคือผูกไว้ให้วัว กินยากไกลเดี๋ยวจะหายไปแต่ใจของแม่นี่ยิ่งกว่าเชือกนั้นอีกซื่ออยู่กับลูกตลอดลึกๆภาระใหญ่หลวงรู้ไหมภาระครั้งนี้กี่ปีจะจบปี สองสามสิบยี่สิบสามสิบตัมมาบอกตอบไม่ได้อาจจะตลอดชีวิตเลยหญิงคนหนึ่งเกิดมามีคำว่าลูกชีวิตทุกอยู่กับลูกทั้งชีวิตก็มีก็โอ้โห มันคุ้มค่าหรือเปล่าจะมาตอบไม่ได้เลยต้องไปถามหญิงคนนั้นว่าคุ้มไหมเมื่อตั้งแต่ได้ลูกมาสิ่งที่เราให้กับสิ่งที่ได้รับเนี่ยค่าตอบแทนมันคุ้มไหมแต่มาถ้าถามท่านไม่ตอบเราหรอกท่านบอกเราไม่ได้คิดแบบนั้น ไม่ได้คิดแบบนั้นนะไม่ได้คิดการตอบแทนคิดแต่ว่าเราจะทำให้ลูกของเรานั้นอยู่สุขสบายได้ดีมากได้แค่ไหนนี่คือแม่ยอมอดแต่ให้ลูกอิ่มนี่คือแม่นะยอมอดให้ลูกอิ่มนี่คือแม่ บอกเออมันเป็นภาระแห่งความทุกข์มากทีเดียวภาระนี้แบ่งด้วยทุกใครว่าเลี้ยงลูกสบายเนี่ยโกหกทั้งเพไม่เคยล้างก้นใครต้องมาล้างให้ลูกนะไม่เคยไปดมอึใครก็ต้องโดมแล้วก็เช็ดอยู่ตรงนั้นแหละ่บอกเออ จะกินก็มือไม่ว่างข้างหนึ่งก็อุ้มอีกมือหนึ่งก็ป้อนไหนกลัวจะร้อนบ้างร้อนเกินเดี๋ยวกลัวลิ้นลูกจะพองเย็นเกินเดี๋ยวกลัวลูกจะท้องเสียอะไรกันนะักกันหนาชีวิตแต่มาแก้พูดแต่มาก็ไม่อยากมีแล้วโยมเอ้ยแค่พูดยังไม่ถึงชั่วโมงไงต่มาก็เบื่อแล้วจริงให้จ้างด้วย ไม่เอาเอาไปโยนไหนก็ไปโยนเถอะจริงๆโยมนึกว่าโยมเป็นเทวดานางฟ้าอะไรไงเกิดมาเป็นลูกของพ่อของแม่โถวออพวกเราบางทีเข้าใจผิดทรมานท่านจะตายไปเนี่แค่เริ่มต้นนะลูก ต่อจากนั้นอีกเลี้ยงมาปีสองปีสาปีเริ่มเต่ะแตะตาอแตะเอท้ทนผู้รักษาความปลอดภัยระวัดระวังห่วงใยเดี๋ยวจะมือไปแยบปลั๊กไฟบ้างเดี๋ยวนิ้วจะเข้าพัดลมบ้างเดี๋ยวจะไปโดนเตารีดบ้างเดี๋ยวจะไปตกบันไดบ้างเดี๋ยวจะออกทางถนนบ้างโอ้โหกันทุกสารพัดขนาดตัวเองจะนอนนะั้น แต่มือนี่ผูกเชื่อกันไว้ไปไหนเดี๋ยวครูกันรู้ตึงแล้วตึงแล้วมันคลานแล้วนะเนี่ยมีหน้าก็ให้เด็กใส่กำไลข้อมือก็ท้าไปไหนแก้งแก้งแก้งแก้งให้รู้วมันไปถึงไหนแล้วเอาเสียงเป็นเกณฑ์ก่อนตานี่ไม่ได้ลืมนะมาคืนทั้งคืนเลยปวดท้องมาร้องทั้งคืนเลยเอาเอามาหาหญิงทาหน่อยกันจาได้กลิ่นนี้จาได้ ย ม, ยมจำได้ใช่ไหมมหาหิงเนยะฮิตกันจะตายสมัยก่อนมหาหิงนะเนยออาใบมะขามโปะหัวให้ผมดกมึงคนสมัยก่อนเลี้ยงลูกเนโอ้กุยน้ำหวานนี่อันดับหนึ่งมาเลยบทบทให้ละเอียดกลัวมาละเอียดแม่ย่ําอีกขับขับขับขับเฮ้เอาไปลูกอ่ะปลอดภัยลูก โตมาได้เนี่ยแบบนี้จริงๆนะมาได้พูดเล่นป้อนน้ำป้อนข้าวลูกจะมีปัญญากินหรือยังทำอะไรไม่เป็นแม้แต่ป้อนข้าวยังป้อนไม่เป็นเลยขับถ่ายก็ยังจมอยู่ตรงนั้น เ, นเขาเรียกอาจมจริงๆอาจมคนไม่คุ้นอาเจียนหมดเลยลูกแต่แม่นี้ทนจนบอกเอเป็นของหอมไปแล้ว แต่เฉพาะของลูกตัวเองนะถ้าลูกคนอื่นแล้วเหม็นตายเลย น, ะนี่อคติพอลรักนั้นเนี่ยแหมขี้ของลูกนี่หอมหอมขี้ลูกคนอื่นนี่เหม็นไม่ไหวติดไม้ติดมืออย่าแยง้งอย่าแยง้งนี่อคติเกิดข้อหนึ่งนะเพราะรักเอาต่อจากนั้นอีกลูกพ่อแม่ทาอะไรต่อ เริ่มกับประสิทธิศาสตร์วิชาความรู้บอกสิ่งนี้ควรไม่ควรสิ่งนี้ดีไม่ดีสิ่งนี้ชั่วหรือถูกหรือผิดศิลปะชีวิตสอนลูกเรียนรู้การอยู่รอดพอแม่เริ่มสอนนี่เริ่มเป็นอาจารย์แล้วนะเป็นอาจารย์แล้ว เป็นอาจารย์อาจารย์สอนล้วสอนแค่นี้ไม่พอกลัวลูกก็จะโง่อีกไม่ทัดเทียมผู้อื่นส่งไปที่สถาบันการศึกษาบางคนฝากก็เรียกนักเรียนก่อนวัยหรือก่อนเกณฑ์ไปฝากก่อนแล้วแม่ก็ไปนั่งเรียนด้วยนะเพราะหันหลังปั๊บมันร้องอีกแล้วโอ้ยมันติดแม่อะไรขนาดนี้ร้อง ยมจำได้ไหมตอนที่ไปเรียนอนุบาล น, นะพอแม่หันหลัง้ปากอ้าน้ำลายยืดเลยร้องหน้าเกลียดย่างงี้ร้องเอาเสียงคมอย่างเดียวแม่ไปไหนรอดกเสียงร้องของลูกบาดหัวใจแม่เออเออกูรู้กูรู้กูไปไม่ได้กูรู้หยุดร้องซะกูยอมแล้ว นางเรียนกับลูกอาทิตย์สองอาทิตย์จนกว่าลูกเข้ากับเพื่อนได้เริ่มติดเพื่อนอ่าละแม่ก็ค่อยปล่อยมือก็ ค, อค่อยเดินห่างเดินห่างมันก็ไม่ชนเราแล้วเว้ยแม่ค่อยถอยถอยถอ ย, ถอ ย, ถ, อยถอยกลับนี่เพิ่มภาระอีกเงินทองที่เคยเก็บหอมรอมริบมาถึงบอก คนประหยัดเก็บออมรวยน้อยคนรวยใหญ่คือคนที่ใช้สติปัญญาคนอดออมนี้หลักก็คืออาจจะมีเงินเก็บบ้างแต่มันก็ไม่ใช่มากมายอะไรแต่รวยใหญ่คือสติปัญญามันจะนำพาไปหาทรัพย์เริ่มแล้วตัดชุดยังไม่มีชุดที่วาราตรีนะตอนนั้นอย่างอย่างอย่าง เอาแค่ okay. ว่าปิดชุดวันเกิดก่อนพอแนละ้วลูกต่อชุดสองชุดสามชุดพ่อแม่เริ่มลงทุนด้วยทรัพย์หาความรู้ส่งเสียลูกเรียนปีเดียวจบไหมสองปียังอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองเลย อนุบาลสามอีกในกว่าจะขึ้นป อ, อีกโอ้โหหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี 2, ม่ห้าหกมอหนึ่งมอสองมอสามมอสี่มอห้ามอหกโอ้โหสิบกว่าปีร่วมยี่สิบปีกว่าจะจบปอดีคิดเลยบุญคุณนี้ใหญ่หลวงตอบแทนชาตินี้ไม่หมด แค่อยู่ในท้องเก้าเดือนท่านจะเลี้ยงเราหรือไม่เลี้ยงเราเมื่อคลอดออกมาเนี่ยตรงนี้ทําความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าเมื่อคลอดออกมาเนี่ยตรงนี้มีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นผู้ให้ผลบางคนเกิดมาปุ๊บไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็มีกรรมพรกก็มี ถูกทิ้งก็มีพ่อแม่เลี้ยงดูก็มีตรงนี้อย่ามาโทษพ่อแม่อา จ, จมาบอกตรงนี้เปิดใจกว้างก่อนทําไมชีวิตคนมีชะตาชะตาที่ถูกลิขิตด้วยคําว่ากฎแห่งวิบากผลแห่งกรรมเติมบอกอายุยืนอายุสั้นตรงนี้เนี่ยใครกําหนดจะมาบอกแล้วว่ามันเติมครับตรงนี้ด้วยนะ แต่มาแล้วอยากรู้สุดท้ายก็กบอกตัวเองบอกมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าไม่มีใครอยากเกิดมาจนไม่มีใครอยากเกิดมากำพระไม่มีใครอยากเกิดมาไม่ครบอาการสามสิบสองไม่มีใครอยากจะเกิดมามีโรคประจําตัวติดมาเลยก็มีบางคนอยู่ไม่ได้ถึงปีสองปีผ่าหัวใจแล้วนะ สมองโอ้แต่ละอย่างชีวิตคนตรงนี้นะอาจะมาถึงบอกว่าใครที่เคยท้าเรื่องเวรเรื่องบุญเรื่องกรรมตั้งแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในก่อนก่อนนั้นนะบางทีผลมันยังไม่ปรากฏแต่พอมันได้อายุมันแก่จัดแล้ว ผลที่มันปรากฏขึ้นมาเพอท่งผลขึ้นมาในวันนี้ถ้าจะโทษจะมาบอกไงว่าโทษชะตาหรือโทษวัตตะความเกิดธรรมาเข้าใจคำนี้ธรรมารู้สึกหลุดพ้นไปเยอะหรือว่าจิตที่ปล่อยวางได้เยอะมากเลยถ้าไม่ธรรมาความสุขจะมีน้อยกว่านี้นะ แตมาไม่มีปมด้อยตอนนี้มีแต่ปมเด่นคุยซะเลยโง่ no. ไปเอาผมด้อยมาเป็นเงื่อนไขชีวิตปล่อยวางชีวิตในเมื่อเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วทำไมไม่เลือกเป็นละ่ะนี่คือจุดเส้นสตาร์ชีวิตมีเรื่องกฎกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องรู้ก็ตามไม่รู้ก็ดี แต่สิ่งนี้เป็นไปตามเหตุที่เรามีมาแล้วเลือกสิอยากเกิดแล้วเป็นลูกแม่ค้าไข่พวงมาลัยที่สี่แยกทำไมไม่เกิดลูกคนมีเงินมีสัดดังมีสกุลหรือมีสกุลทำไมไม่เลือก ไม่ใช่ไม่เลือกแต่เราถูกกรรมนั้นเป็นผู้ลิขิตเลือกตรงนี้ทำความก็ใจญสักนิดหนึ่งไม่งั้นความครับแข้นใจมีจนตายปมแก้ไม่ได้อดามาแก้ได้ดามาเบาเลยโยมเบาตั้งแต่วันนั้นมาถึงบนันนี้จากนั้นมาดามาไม่มีปมเลยเรื่องความเกิดเรื่องพอ่อเรื่องแม่เรื่องไม่มีเลยตรงนี้ ไม่มีความคับแค้นใจกับใครแล้วถ้าจะโทษโทษชะตาวาสนาลูกคนนี้จะถูกเลี้ยงต่อหรือไม่แตมาตอบไม่ได้เกิดยุคยากเข็ญก็มีเกิดยุคสงครามก็มีวิ่งไปหนีไปแม่จะเกิดไปก็ยังมีเลยลูก พิงล้อเกวียนเกิดแล้วโอ้โหง่ายจังเลยเนะี่ยเนี่ยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยเนี่ยโย่พอเกิดเสร็จก็ตายเลยก็มีลูกมีคนมาเจอเอาไปเลี้ยงต่ออีกบอกเออชตาติชีวิตเหมือนหนังไม่ผิดยี่สิบปีผ่านไปมันโกหกเลยละนี่กลายเป็นองค์หญิงนนเนี่ยเนี่ยหรือองค์ชายอะไรก็ได้แล้วแต่ มันเคยมีมาแล้วอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ร้อยปีก่อนสองร้อยปีสามร้อยปีพันปีสองพันปีก่อนแต่สรุปว่าเรื่องทั้งหมดเคยมีมาแล้วมากน้อยก็แล้วแต่แล้ ว, แ, ลวแต่โยมไม่ต้องดูอะไรมากดูครูบาอาจารย์ของของโยมเองที่บรรยายอยู่นี่พูดสัต์จริงเกิดมาจนถึงบัดนี้อายุ รูปรูปหน้าแม่รูปถ่ายเพิ่งมาเห็นตอนอายุสี่สิบแปดนี่พูสัตว์จริงไม่เคยเห็นรูปหน้าแม่เลยย้วว่าแต่หน้าแม่รูปภาพยังไม่เคยเห็นเลยเขาบอกไม่มีรูปมีอยู่รูปเดียวเคยเอาไปให้ช่างเขาวาดแล้วหายเขาบอกน้ำเน่าอย่างนี้ก็มีเหรอเพิ่งมาเจอเมื่อพิ่งอายุสี่ปดปีที่แล้ว ปีนี้เราเจ็บใจขึ้นสิบเก้าเลยปีน่าจะห้าสิบประชดให้ดูเนี่ยมาบอกถ้าไม่เจอบตัวเองตหลกตหลกจริงๆผ่านมาสี่สิบแปดเพิ่งมามีรูปถ่ายแม่และเป็นรูปถ่ายรูปไหนรูปเปารูปที่ถ่ายในงานศพของคนอื่นก็เป็นญาติของฝ่ายพ่อ หเห็นอยู่ครึ่งหน้าผากโยมประเพณีจีนมีใส่หมวกนะมีใส่อะไรมอยู่บนหัวเนี่ยเป็นผ้าดิบผ้าป่านมับางอยู่ครึ่ง น, นึงและมาแต่งภาพอตมาบอกปะ๊ะขนาดจะเห็นยังให้เห็นครึ่งเดียวเลยเนี่ยนำเน่าไมมโยมว่าเนี่ยเน่าจริงๆให้เห็นแบบทรงผมแท้ๆหน้าตาจริงๆไม่ได้ ปิดสองหูด้วยนะแล้วก็มีหมวกแหลมๆลงมาปิดอยู่ถึงคิ้วนะมึงและหน้าผากจริงเป็นแบบไหนไม่รู้ทต่มาบอกอานิจามันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงนะไม่พูดเล่นสี่สบปดเพิ่งเห็นรูปถ่ายของแม่แต่เห็นไม่เต็มหน้าหน้าผากไม่ให้เห็น งานศพคนจีนเขาจะมีหมวกบังลงมาเป็นผ้าดิบเออเอาครึ่งหนึ่งก็ยังดีแต่เห็นดวงตาของแม่เป็นคนอาภัพตาบอกเลยไม่สดใสชีวิต แม่ถึงอายุสั้นสามสิบต้นๆแม่ก็ไปแล้วแต่ท่านไปดีของท่านนะอย่างน้อยท่านก็มีลูกชายเอาไว้สืบศาสนาไว้อเอออ้าถึงไหนแล้วโยมเริ่มไปโรงเรียนแล้วทำม่กี่ปีจบ งทีเกือบถึงยี่สิบปีกว่าจะจบปดีรู้ไหมว่าหมดไปเท่าไหร่ท่านเสียเวลากับเราไหมเสียเวลากับเรานี้จะบอกว่าครึ่งชีวิตหรือเกือบทั้งชีวิตเขาได้เฉพาะเรียนหนังสืออบอกเออเขี่ยวเข็นสอนลูก มันลำบากลำบนอย่างนี้เองท่านจึงห่วงนักห่วงนาะบนได้ทุกวี่ทุกวันบนอยู่เป็นประจำสุดท้ายลูกบอกหน้าเบื่อคำเดียวเท่านั้นรักพ่อแม่ตีลูกวันนี้อาจะมาเข้าใจซึ้งแล้วลนะ่ะที่ท่านตีเราทุกวันทุกวันมา่อก่อน เพราะท่านไม่ต้องการให้ลูกของท่านเมื่อโตขึ้นถูกคนอื่นเขาทุบตีนึกคำนี้น้าตาไหลโอ้พ่อแม่เราสุดยอดเลยตีเราวันนั้นเราว่าแม่ไม่รักพ่อไม่รักเราจริงๆไม่ใช่ท่านกลัวคนอื่นมาตีลูกของท่านให้บาดเจ็บให้พิการหรือให้ตายไปสุดยอดเลย ตีตีตตเราคำเดียวเทนะ่านั้นกลัวคนอื่นมาทำร้ายรูปของท่านจะมารู้ได้ยังไงคำนี้บอกกิจกระตันอยู่มันบอกเรากิจนี้มันเกิดข้างในมันบอกเราแล้วโอ้กว่าจะรู้ผ่านมาตั้งร่วมถึงย0 3 0บสสิปีเลยเนี้ย คำนี้รู้เองนะพ่อตีไม่ให้พิการให้แค่เจ็บแล้วบอกจำไหมท่านจะพูดคำนี้ใช่ไหมพ่อแม่พวกเราตีท่านจะ้ถามว่าจำไหมอย่าทําอีกนะเพราะท่านกลัวเราจะถูกทําร้าย หรือกลัวเราจะผิดพลาดชีวิตแล้วต้องติดคุกติดตารางบอกเออสุดยอดเลยนะพ่ออยากให้ท่านฟื้นกันมาตีใหม่พอตีเสกกระกาบไหว้ท่านบอกขอบคุณที่ส่งเสริมถึงบอกคนเราบางครั้งกว่าจะรู้ความจริง ทุกอย่างมันเหมือนผ่านไปแล้วหรือทุกอย่างดูเหมือนมันสายไปแล้วบางคำเราไม่น่าพูดเลยยมรู้สึกไหมถ้าวันนั้นเราไม่พูดหรือไม่เถียงหรือไม่ทำสิ่งเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดมาทำไมเราไม่หยุดเสหรือทำไมเราไม่ทำตามที่ท่านอยากให้ทำวันนั้นมันจะเรื่องมันก็จะไม่มีวันนี้ก แต่ว่าเอาละท่านส่งเราเรียนตอนนี้ภาระธุระของท่านคือให้ลูกท่านมีความรู้มีวิชาเป็นเครื่องหมายเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรกตรำตรงจำทน เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยนี่คือบทของเด็กน้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายัางด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชาเรื่องจริงแต่เราไม่เข้าใจโลกแท้จริง มีนาเขาใช้คาว่าอย่าคิดสั้นคิดยาวๆมองไปที่อนาคตอย่าเพิ่งรักสนุกความทุกข์มันยังมีอีกเยอะนี่ไม่ใช่สิ่งสำคัญอย่าเพิ่งไปเอามันมาบอกเออมีนาท่านบอกเราหลายอยา่างท่านทุกข์กับเราม า, มากมือเกิน โยมตอบแทนชาตินี้ไม่หมดไม่หมดจุดที่บอกเมื่อกี้ไงว่าแยกเป็นสองตอนตอนหนึ่งอยู่ในท้องท่านเก้าเดือนบุญคุณตรงนี้โยมตอบตอบแทนยังไงก็ไม่หมดท่านจะเลี้ยงเราหรือไม่ยามเกิดมาแล้วนี่อยู่ที่ชะตาทุกชีวิตก็มีปัญหาโยมอยากเข้าใจว่าผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาอย่างลูกหลานเด็ก แตมาบรรยายไปเราอย่าเราอย่าไปมองพ่อแม่ผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเราเอามาเป็นจุดเอามาเก็บเอามาต่อรองเอามาทำบอกบอกไม่ใช่ผู้ใหญ่เขาก็มีปัญหาพ่อแม่เราเขาก็มีปัญหาของเขาอย่าไปมองว่าทุกอย่างเพอร์เฟกไม่ใช่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาแต่ไม่ใช่ต้องร้อยปซตรงกันข้าม ถามลูกหน่อยเราเป็นลูกได้ร้อยเปอเ็แล้วยังนี่คือคำถามกลับท้าห้เห็นแก่ตัวเป็นเด็กดีของพ่อแม่ทุกอย่างไหมช่วยเหลือการงานท่านทุกอย่างไหมเอาใจใส่ท่านไหมแคร์ความรู้สึกท่านไหมเคยทำให้ท่านสบายไหมถามดีวว่าเรามีจุดพร่องไหมลูก พวกเ ร, เ, เ, เ, เราเป็นได้แค่ผู้ขอท่านนั้นเองดมาชี้หน้าเลยเราเป็นได้แค่ผู้ขอท่านเท่านั้นเองไม่เคยให้อะไรท่านเลยแล้วยังว่าท่านไปขอกินข้าวคนอื่นมื้อสองมือ้อเนี่ยโอ้โหเขามีคุณอย่างนั้นอย่างนี้ใครทำดีกับเราหน่อยเราจะต้องตอบแทนคุณตมาว่าทำไมรู้จักบุญคุณคนอื่น เขาดีกับเราแค่เรื่องสองเรื่องเรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณติดค้างบุญคุณพ่อแม่ละ่ะพ่อแม่ละ่ะกินข้าวอยู่ทุกวันทุกวันมันไม่ใช่ติดค้างแล้วนี่คือชีวิตของท่านเราเป็นหนี้ชีวิตจิตวิญญาณสองอย่างเลยนะ ต้องตอบแทนทั้งร่างกายและจิตใจแต่มาใช้คำนี้นี่บุญคุณต้องตอบแทนจิตวิญญาณต้องทำให้ท่านมีความสุขด้วยทั้งกายทั้งใจบอกโอ้โหบอกแต่มานั่งดูบอกลูกเมื่อไรจะรู้สึกว่าเป็นลูกจริงๆททำไมผู้ใหญ่มีปัญหาทำไมเราจรึง คาดขันท่านทำไมเอาผิดเหมือนท่านชั่ว ร, ร้ายเอาภัยไม่ได้บอพ่อแม่ก็มีปัญหาพ่อแม่ก็ผิดได้ไม่ใช่ผิดไม่ได้กแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปโกรธไปเกลียดไปเครียดไปแค้นไปพยาบาทท่านและเราไม่เคยผิดกับพ่อแม่หรือไงแต่มาถามหน่อย เราเป็นลูกที่ดีหรือยังเป็นลูกตัวอย่างไหมเพอร์เฟกต์ไหมให้ความเป็นธรรมกันหน่อยทีใครให้ใครมากกว่ากันใครเลี้ยงใครมากกว่ากันใครเอาใจใส่ใครมากกว่ากันแค่นี้เราก็ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เรายังเป็นเพียงผู้ขอบางคนเรียกว่าลูกเลี้ยงไม่โตแก่ก็ไม่โตพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งพ่อแม่ตลอดโตไหมโยมไม่โตหรอกไอ้จบปริญญาเอกก็ไม่โตไอ้นี่บางคนจบปวสีโตแล้วหาเงินเลี้ยงตัวเองส่งให้กับทางบ้านห0 0ร้อยพันสองพันก็เลือแต่ ตามรายได้ที่เขาพึงได้มาฉะนั้นอย่าไปอย่าไปมองอะไรต้องร้อยเปเ็นนี่คือความผิดพลาดของมนุษย์ที่เจ็บโวดทุกวันนี้เพราะคาดอะไรคาดสูงหวังอะไรสูงเวลาตกมานี้เจ็บนะเจ็บหนักช้ำด้วยนะอักเลือดก็อักเลือด แต่จะมาบอกก่อนที่ลูกตำหนิพ่อแม่ว่าท่านไม่สมบูรณ์แบบถามว่าลูกอย่างเราสมบูรณ์แบบไหมมองความผิดตัวเองด้วยถมน้ำลายรถฟ้าเป็นงน้้ำลายไปไหนรถหัวตัวเองนั่นแหละด่าพ่อแม่ให้คนอื่นเขาฟังมีใครสรรเสริญเราบ้าง ถำมามาึงด่าใครยังเนี่ยพ่อกูแม่กูกลนถอยจริงเอาอะไรมาพูดอาตมาบอกว่าท่านไม่ใช่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์มีบ้างผู้ใหญ่ก็มีปัญหาของท่านพูดตรงนี้ไม่ได้เข้าข้างนะพูดให้เป็นเสมอภาคกันและลูกหล่ะถ้าเราเป็นลูกที่ดีอาตมาเจอแล้วลูกที่ดี เชื่อไม่อยู่พ่อนี้เมาหัวลาน้ำคือหัวเงยไม่ขึ้นเจอถังน้ำก็เนี้ยจุ่มลงเนี่ยหัวลาน้ำเมาเงยหัวไม่ขึ้นหัวลาน้ำลูกดีจริงจริงกัดทันอยู่เดินตามต้อยต้อยต้อ ย, อยแล้วก็นั่งข้างพ่อเสร็จแล้วพ่อก็ดาไปทิศทั้งแปด เริ่มดาตั้งแต่จังหวัดลงมานะลูกเอาตั้งแต่ผู้ว่าลงมาเลยแวะอำเภอด่าในอำเภอแวะตำบลดาด่ากำนันถึงหมู่บ้านตัวเองด่าผู้ใหญ่บ้านพอหมดผู้ใหญ่บ้านเสร็จเข้าเจ้าอาวาสเราก็โดนไปด้วยนะไอเจ้าอาวาสเอาแล้วสิมันไอ้นี่มันกินเหล้าตาผีสิงหรือเปล่านย ถ้าตามมาบ้าก็เออไล่กัดอยู่นอกวัดไม่เป็นไรนี่มันผีสิงแล้วมันจะเล่นพระด้วยหมดแล้วด่าพระเจะอวัดแล้วจะวาดไปทำอะไรเองเมาเองก็นอนสิพอหายเมาจัดดอกไม้ทุกเทียนมาขอกรรม า, ม า, มาอยู่หลายรอบแล้วเออเอเ อ, เอรู้กันรู้กันรู้กันเมาแล้วด่าดต่อยรู้กัน ไม่ถือแต่ก่อนตายเป็นโรคเรื้อนน้ำเหลืองคันทั้งตัวและหลุดปากว่ายังไม่ได้ขอคำมาพระอาจารย์ที่เคยกล่าวร้ายว่าท่านจิต ก, ก่อนตายมันเห็นบาปตรงนี้และต่อมาก็ไม่อยู่ด้วยแต่ได้ยินลูกหลาน ชาวบ้านมาไลาฟังว่าก่อนตายเป็นโรคเรือนขันทั้งตัวนำ้ำมําน้ำเหลืองออกแล้วก็เอ่ยถึงเรื่องพระอาจารย์ว่ายังไม่ได้ขอขามาค่อยๆตายไปเนี่ย <Yeah. S 1> ถึงบอกเออเรื่องบางอย่างมันไม่ได้เกิดตอนนั้นแต่เรื่องเราสร้างเกิดแล้วนะ แต่กรรมวิบากตามหลังให้ผลมาถึงบอกเอา้ามันแล้วแต่วิบากของแต่ละคนฉะนั้นถ้าเราเข้าใจนะวันนี้ความเป็นลูกของเราเนะี่ยเราเป็นลูกที่ดีัหมคาไหนที่เราโทษ ด, ด่าว่าพ่อแม่ดูว่าตัวเองเป็นทองแท้แค่ไหนเคยเลี้ยงดูท่านแค่ไหน เสื้อเสื้อผ้อาท่านกี่ชุดผ้าห่มกี่ผืนหมอนกี่ใบเสื้อกันหนาวหรือดูดหนาวกี่ตัวเสื้อกี่ผืนข้าวปลาอาหารจัดให้ท่านกินกี่มือ้อเงินทองส่งเสียให้ท่านขาดมือไหมการเป็นอยู่ของท่านท่านเป็นอยู่แบบไหน สายตาท่านเฝ้าฟังเคยตัดแว่ในให้ท่านไหมการลังวันชาท่านไม่ดีเคยเป็นแม่เท้าให้ท่านไหมไปสํานึกกันตรงนี้ที่หลับที่อยู่ที่นอนของท่านอากาศถ่ายเทยดีไหมสะอาดสะอ้านไหมเชืเ้อแบคทีเรียเยอะไหมห้องน้าห้องท่าของท่านเป็นไงพื้นมันลื่นไหมเราต้องดูแลความปลอดภัยของท่านเพราะท่านเคยดูแลเราตรงนี้ ต้องดูแลสุขภาพของท่านเพราะท่านเคยดูแลเราตอนเราเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นข้าวอาหารท่านเคยจัดเตรียมให้กับเราวันนี้เราจัดเตรียมดูแลท่านหรือเปล่าคำที่เราว่าท่านไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีแต่ลูกคนเนี้ยทาดีตรงไหนคิดแต่แค้นคิดแต่โกรธคิดแต่เคร่งหรือเฉยเฉยหรือคิดแต่ขอ บางคนพอได้สมบัติเสร็จแล้วไม่สนใจพ่อแม่เลยแต่มาว่าคนถ่อยจริงๆคุณไม่รู้แม้แต่พ่อแม่ของคุณเองและคุณจะไปทำดีกับใครแต่มาบอกคนนี้ทำเพื่อประโยชน์ทั้งหมดที่ทำมาไม่เคยทำเพื่อคำว่าระลึกถึง คุณ ร, รมแล้วก็มาโนธ ร, รมไม่ใช่วินยุชนอาจจะมาไม่ครบนะถ้ารู้ความจริงจะมาไม่ครบด้วยตัวเองสุขสบายแม่ลำบากตัวเองกินแบบอิ่มหนำสำราญแต่ให้แม่อดอยากแตา ม, มาบอกถ้ารู้ลูกคนนี้แตา ม, มาําหนิเลยนะทานี้ พ่อแม่จะไปไหนโอ้โหก็จะเดินทางที่ลำบากลำบนแต่ตัวเองโอ้โหคนรับใช้เยอะแยะธรรมาบอกคิดอะไรไม่ออกแค่เก้าเดือนก็พอแล้วกินฟรีอยู่ฟรีบุญคุณตรงนี้ตอบแทนไม่หมดเพราะนั่นเป็นชีวิตที่เริ่มต้นยากที่สุดจุดเริ่มต้นคนเราเนี่ยมันอันตรายที่สุดบอบบางที่สุด อ่อนไหวที่สุดถ้าเราผ่านจุดนั้นมาได้เนะี่ยเราก็มีภูมิต้านทานไหมตอนนี้โดนแดดโดนฝนเราก็พอทนได้แต่ตอนนั้นไม่ได้นะไม่ได้โหไปไหนท่านกลางลมนะท่านเดินเองท่านไม่กลางนะเพรอุ้มลูกโอ้โหกลางลมมือจะห้อยแล้วก็ยังต้องย้อมกลางูดูดิทิงบอกเออท่านเป็นภาระทุระ มากเหลือเกินกับลูกคนนี้ต้องพิจารณาให้เป็นธรรมจะบอกวันนี้เรากินดีอยู่ดีแค่ไหนกลับไปดูพ่อแม่ว่าอยู่ดีกินดีแบบเราไหมความสะอาดสะอ้านที่ท่านอยู่ขนาดไหนถ้าสกปรกมากเราต้องไปเช็ดถูทำความสะอาดให้กับท่าน ไม่ใช่ไปเจอท่านตำหนิแม่สุกปรกยังเลยดูบ้านโหไม่สะอาดหน้าที่ของลูกปัดกวาดเช็ดถูไม่มีเวลาจ้างคนมาดูติดทุเละเหรอเราก็ต้องดูแลท่านส่งคนมาดูแลแล้วก็มาเยี่ยมท่าน เพราะแม่ไม่ต้องการแค่วัตถุต้องการจิตวิญญาณที่ท่านให้เรามาเท่าไหร่เราต้องให้ท่านบ้างความรักแสดงออกให้กับท่านก่อนท่านจะไม่ได้เห็นเราก่อนท่านพูดกับท่านเพราะเพราะอาหารอันปราณีตให้ท่านกิน เสื้อผ้าสวยๆงามๆซื้อให้ท่านใส่หมอนผ้าหมถ้าขึ้นเชื้อขึ้นราเปลี่ยนใหม่ให้ท่านรู้ไหมนั่นคือการปฏิบัติพระอาหารหันต์นะบุญตรงนี้ต้อมาบอกว่าได้เยอะมากเป็นมหากุศสนอภิมหากุศสนอาชัยคำนี้ว่ามหาศ า, ศาลมากเลยโยม เทียบเท่าอาราหันเทียบเท่าพรมนะลูกเป็นเป็นพรมก่อนแล้วท่านมีเมตตากับเรามีการุณากับเรายมดูครบที่เมตตากรุณามุทาอุเบกขาเมตตาคืออะไรคิดช่วยเหลือเมตตานี่คิดช่วยเหลือก่อนนะพอการุณาลงมือช่วยบางคนมีจิตเมตตาสงสารนี่คือเมตตาเล่นนะ แต่ยังไม่ได้ช่วยนะพอช่วยปั๊บกรุณาเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือแบ่งปันอะไรก็สุดแล้วแต่ช่วยเท่าที่ทําได้พ่อแม่ทำมาแล้วนะมุทิตาคือถ้าลูกได้ดีแม่ก็ปรับรื้มยินดีลูกเรียนดีแม่ก็ดีใจลูกได้งานดีแม่ก็ดีใจลูกได้สามีดีภรรยาได้ดีแม่ก็สุขใจ นี่คือมุทิตาแสดงความยินดีเมื่อลูกได้ดีมีพ่อแม่คนอิจฉาเราบ้างพ่อแม่จริงไม่มีลูกมีแต่อยากลูกของเราให้อยู่เหนือคนอื่นด้วยซ้ำไปพอลงท้ายคำว่าอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบางทีเราทำอะไรให้กับท่านที่ไม่ถูกต้องถามว่าท่านโกรธไหมโกรธนะ คำเดียวคือลูกจิตนั้นต้องสงบลงไม่ถือโทษไม่โกรธเคืองไม่เครียดแค้นไม่จริงชังจิตวางเฉยโกรธแป๊บเดียวก็ว่างคำว่าลูกคำเดียวทำให้ท่านน้อยใจเสียใจผิดกวาง ทำร้ายจิตใจท่านดีท่านต้องท่านกลัวลูกของท่านจะตกนรกท่านจิงต้องวางเฉยไม่สาบแช่งไม่ด่าอะไรลูกไม่ใช้คำหยาบพยายามสงบเท่าที่ทำได้แต่ถ้าลูกคนไหนโดนหนักๆ ก, ก็เรามีวิบากมาตรงนั้นยกให้วิบากไปอย่าไปโกรธเกลียดท่านผู้มีคุณ อาจมายกตัวอย่างให้โยมฟังคนเลี้ยงข้าวเราแค่สองมือ้อสามมือ้อเรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณในอย่างคนให้เรานอนสักคืนสองคืนเรารู้สึกเขามีบุญคุณกับเราเยอะเรือเกิดเราเจ็บป่วยไข้เขาซื้อยาให้กินเรารู้สึกแหมถ้าไม่ได้เขาเรานี่แย่เขามีคุณกับเราเรือเกิด ทำไมคนนอกยมรู้สึกเร็วขนาดนั้นแต่คนให้เราทั้งชีวิตใหญ่มองไม่เห็นทำไมจิตไม่รู้บินยูชนหรือคนถอยกันแนะ่ถามแค่เนี้ยอยากเข้าใจว่าเรียนสูงและเป็นบินยูชนหรือสุภาพชนนะเป็นคนถอยก็ได้อยู่ที่มโนธรรม กระันอยู่พักดีน้ำใจซื่อสัตย์สิ่งควรและสิ่งไม่ควรบินยูชนจะรู้ตรงนี้แต่คนถอยขอให้สิ่งนั้นได้มาวิธีไม่เกี่ยงความเห็นแก่ตัวนี้กัดกินจิตวิญญาณจนกลายเป็นคนโลภจนไม่เห็นใคร ใดๆทั้งสิ้นขอให้ตนได้มาทําลายได้ทุกอย่างที่พู้มาตรงนี้เชื่อว่ามีคนทุบตีพ่อแม่ติดยาขอเงินไปได้ตีแม่ขโมยเงินแม่เยอะๆกินเหล้ากินยาเมาแล้วมมวายที่บ้านแม่ไม่รู้จะร้องแบบไหนแล้วท่านผิดกว่า ท่านเสียใจรู้หรือเปล่าบอกอาจะมานะจะดื้อยังไงก็ตามนะเจอพ่อจะมาแถวตรงนี่พูดจริงนะคนอื่นจะมาไม่กลัวจะมานักเลงนอกบ้านในบ้านจะมาเป็นเป็นหนูตัวเล็กๆน้อยๆลูกของพ่อแมวของแม่ย่ายท่านลูกหัวนะพูดจริงๆนะ เจอพ่อปุ๊บถ้าไม่ทําไ ม, ถาไม่ถ้าไม่เจอจังๆนี้อย่าอย่าหวังว่าจะยืนตรงเลยหล บ, บเรากลัวท่านผิดหวังกับเรากลัวท่านจะถามแต่เราตอบไม่ได้ไม่มีที่ว่าไปกล้ากับพ่อกับแม่อาดมากับพี่อาดามาก็ยังไม่กล้าเลยพี่บอกให้กอดอกก็ยืนตรงกอดตีตีตัดตีเจบ็จบเจ็บ อย่างนี้ก็ร้องให้แต่ไม่เคยสู้พี่ไม่คิดสู้ไม่เลยไม่เลยนี่เป็นบุญของอาตมาพรอะจะมาแยกออกว่าใครดีกับเราใครมีคุณกับเราใครหวังดีกับเรา ไม่ใช่ถูกตีแล้วเราบอกเขาเกลียดเราอย่าเข้าใจแบบนั้นไม่เอาขนาดพ่อมาจะมาสุบุรีตอนนั้นนะถ้าเห็นไกลๆจะมาทิ้งแล้วปุ๊บเด็กเขาป่าไปแล้วไม่อยากให้พ่อเห็นลูกทำตัวแบบนี้แม้สุบุรีก็ไม่อยากให้พ่อรู้ว่าลูกสุบรีลูกเป็นเด็กดี ดีตอนเจอนะผลรับหลังก็ชุด ต, ตัวใครตัวเราเราก็มีสไตล์ของเราแต่ว่าสุดท้ายบาปเกิดที่ใจเราแนละ้วใครก็มาเอาออกไม่ได้ล้างก็ไม่ได้ไม่มีน้ําชนิดไหนไม่มีไฟชนิดไหนทําลายมันให้ให้หมดได้ถึงบอกบาปเผาใจเหมือนไฟดรก ไม่ตายก็รู้แล้วหลายคนจิงบอกสํานึกไงสํานึกบคาว่าสํานึกแต่มาว่ามันมีค่ากว่าได้ความรู้อะไรๆมาอีกนะจิตสํานึกความเป็นมนุษย์เนี่ยสูงขึ้นภายในบัตรนั่นเลยนะจิตสํานึกมโนธรรมเกิดทุกครั้งนะวันไหนจิตสํานึกมโนธรรมนี้จะแบ่งบาน และบอกทางว่าเราจะเดินยังไงบอกเออในที่สุดคุณก็เป็นคนจริงคุณรู้ว่าอะไรผิดแล้วใช่ไหมคุณรู้ว่าอะไรสิ่งที่ควรแล้วใช่ไหมยังไม่ตายยังไม่สายแต่อาจจะทาช้าไปแล้วตะวันยอแสงแล้วถ้าตะวันทอแสงยังพอรุนหน่อยวเวลามันน่าจะเยอะอยู่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 ไม่มีวันนั้นวันนี้เราก็ไม่มีฉะนั้นเก้าเดือนเนี่ยจุดเป็นตายอยู่ในอยู่ในคันท่า น, ทนเลี้ยงเราจนรอดแล้วออกมาก็อีกชีวิตหนึ่งที่มีชตากรรมตอนอยู่ในท้องนี้เฉพาะก่อนระหวังลูกกับแม่ผูกพันกันตรงนี้ก่อนนะครับแต่พอวันคลอดวันนั้นมีกมามชาตากรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณอยากจะเป็นอาจจะไม่ได้เป็นคุณไม่อยากจะเป็นอาจจะต้องเป็นถึงบอกเออตรงนี้ใครจะเข้าใจยากยากจริงๆแล้วใครจะยอมรับชะตาตรงนี้ยากอีกยิ่งคนไม่บําเพ็ญปฏิบัตินายมไม่มีสิทธิ์รู้เลยไม่มีสิทธิ์รู้เลยอ้อาวในที่สุด จิตสำนึกมโนธรรมเบ่งบานแล้วเจ็บก็ที่ใจรู้แล้วทุกข์ที่ใจรู้แล้วเร่าร้อนภายในใจก็รู้แล้วบาปเรารู้บุญเรารู้คุณเรารู้โทษเรารู้แล้ววันนี้ไม่ต้องใครตีเราแล้วมโนธรรมจิตสำนึกยิ่งกว่าโดนแสดซะอีกอ เราเรารู้สึกกลัวแล้วไม่ใช่กลัวคนนั้นคนนี้เรารู้สึกเริ่มกลัวตัวเองเริ่มกลัวการกระทําเริ่มกลัวใจเราเองกลัวเราจะผิดอีกมีหน้าสติสติสติเป็นผู้ตื่นวันนี้ใครตื่นแล้ว ใครรู้แล้วใครเห็นแล้วคือคนที่เป็นบัณฑิตในโอกาสต่อไปแต่ที่ผิดพลาดมาเราไม่ต้องไปไปยึดติดมันเป็นตราที่เราได้รู้แล้วแต่จากนี้ไป ใจนี้จะขาวสะอาดสำรอกและสร้างแต่กุศลไม่ทอดทิ้งบัประชนไม่เคยว่างเว้นละลึกถึงเจ้ากรรมนายเวรกุศลทำอุทิศให้เขาสองอย่างบัประชนไม่ทอดทิ้งเจ้ากรรมนายเวรละลึกถึงเขาอยู่ บุญกุศลทำครั้งใดใจนี้มีเขาอยู่ทุกครั้งเขาจงเป็นผู้ได้รับส่วนบุญกับเราด้วยแล้วชีวิตของพวกเราจะเจริญขึ้นเรื่อยๆเชื่ อ, อธรรมานะทำสองอย่างนี้ไปก่อนและปณิธานที่เราตั้งเอาไว้อุปสรรคอย่าท้ออดทนต่อไปเรื่อยๆและเราจะ ได้พบทุกอย่างมากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะในจิตตรงนั้นนะมีของวิเศษเยอะมากเพราะฉะนัเจ้าไม่รู้อะไรหรอกโยมแต่ที่พระเจ้ารู้มากมายก็มาจากจิตทั้งนั้ น, นเลยก็สมควรเวลาขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเธอ